อ, นนอันนี้ก็ยกพัดเทกระตะสูตรขึ้นมาว่าพระอรหันเนี่ยไม่ตามเพลิดเพลินในรูป น, นะหรือนามในอดีตว่ารูปก็คือรูปขันเนี่ยนะนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ตามเพลิดเพลินรูปนามขันห้าในอดีตด้วยอํนนานาจตันหากับทิฏฐิเลย น, นะ่ยนะ อีกอย่างหนึ่งผ่าทหารไม่ได้มีวิญญาณเนื่องด้วยฉันทราคะในจักษุและรูปว่าในอดีตการเราได้มีจักษุดังนี้มีรูปดังนี้เพราะเป็นผู้ไม่มีวิญญาณเนื่องด้วยฉันทราคะจึงไม่เพลิดเพลินซึ่งจักษุและรูปนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินซึ่งจักษุและรูปนั้นจึงเชื่อว่าเป็นผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นแม้ด้วยเหตุอย่างนี้แสดงว่าท่านคิดถึงอดีตแต่ว่าไอ้ตันวิญญาณเนี่ยนะ ชาวนะจิตที่เกิดด้วยอำนาจโลภะเนี่ยที่คิดด้วยฉันทราคะด้วยตัณหาว่าในอดีตนะเรามีตาอย่างนี้มีสีอย่างนี้เนี่ยนะไม่มีเนี่ยนะไม่ได้มีวิญญาณเนื่องด้วยฉันทราคาในหูในเสียงว่าในอดีตเรามีหูดังนี้มีเสียงอย่างนี้ในอดีตการเรามีจมูกอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ ในอดีตการมีลิ้นอย่างนี้มีรถอย่างนี้ในอดีตการมีกายอย่างนี้มีโพธภะอย่างนี้ในอดีตการมีใจอย่างนี้มีธรรมะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นผู้ไม่มีวิญญาณเนื่องด้วยใจและธรรมรมณ์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีชวนะที่เกิดร่วมกับโลภะเนี่ยคิดถึงอดีตเลยคิดถึงอดีตด้วยอานาจตัญหากับทิฏฐิเพลดิดเพลินในตาตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธาภะใจกับธรรมรมณ์ เพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ไม่มีวิญญาณในอารมณ์เหล่านั้นท่านจึงไม่เพลิดเพลินซึ่งใจและธรรมอารมณ์นั้นไม่เพลิดเพลินซึ่งใจและธรรมอารมณ์นั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้นแม้ด้วยเหตุนี้นะไม่ได้ตามเพลิดเพลินนโอ้เมื่อก่อนตาเนี่ยแจ๋วชัดเลยนะหูก็ดีดีจมูกก็แหมแจ๋วมากลิ้นก็กินอะไรก็อร่อยไปหมดกายก็ดีเนี่ยนะแข็งแรงอย่าง ใจเนี่ยฉลาดอย่างนั้นอย่างนี้ก็พองคไม่ได้เพลิดเพลินเนี่ยนะไม่ได้คิดถึงด้วยอํานาจตันหาทิฐิในในตาหูจมูกลิ้นกายใจยรูปเสียงเปลี่ยนรถโพธะทำมรรมในอดีตเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ปรารบอดีตนะพระองค์ปรารบพูดถึงอดีตคิดถึงอดีตแต่ไม่มีชาวนาที่เกิดด้วยอํานาจของตันหาคิดถึงอดีตเนี่ยนะ อีกอย่างหนึ่งผ้าหันเนี่ยย่อมไม่พอใจไม่ชอบใจซึ่งความหัวเราะการเจรจาการปราศัยและการเล่นหัวกับมาตุคามในการก่อนและไม่ถึงความปลื้มใจด้วยความหัวเราะการเจรจาการปราศัยการเล่นหัวกับมาตุคามที่มีในคราวก่อนนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่อาศัยในส่วนเบื้องต้นแม้ด้วยเหตุอย่างนี้นะหลายๆคนเนี่ยนะ คิดถึงอดีตว่าอาดีตเนี่ยเราเคยคุยกับคนนั้นหัวเรากะกระซิบกระซีบกันอย่างนั้นหยอกเย้ากันเล่นสนุกสนานฟังเสียงเขาร้องเพลงเป็นต้นเนี่ยนะแต่ผ้าหันไม่มีที่ไปคิดมาแหมเราเคยได้ไปอยู่กับคนนั้นคุยกับคนโน้นด้วยอำนาจตันหาแบบเนี้ยไม่มีหรือว่ามาคิดถึงในประวัติในอดีตแล้วก็ยิ้มเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีนั่ น, นจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่อาศัยส่วนเบื้องต้น คำว่าปัจจุบันนการเนี่ยนะท่านเรียกว่าส่วนท่ามกลางในคําว่าผู้อันใครๆไม่นับได้ในส่วนท่ามกลางพระ้าหันเนี่ยใครๆนับในปัจจุบันไม่ได้หรอก Gold, <Theatre. S 2> เพราะว่าผ้าหันเนี่ยปรารถถึงปัจจุบันการละตันหาสละคืนที่ถีแล้วอารมณ์ทุกอารมณ์ที่ท่านเห็น ท, ìn, ทรร่านได้ยินนะท่านรู้กลิ่นท่านรู้รสรู้ผลิภัพฑ์ท่านนึกคิดเรื่องทุกอารมณ์ท่านละตันหาสละคืนที่ถีแล้วเพราะละตันหาสละคืนที่ถีแล้ว อันใครๆไม่นับได้ว่าเป็นผู้กำหนัดนะใครจะไปบอกว่าท่านเป็นผู้กำหนัดขณะนี้นะไม่มีหรือว่าขัดข้องโทสะเนี่ยนะหรือว่าลหลงไหลคือโมหะผูกพันด้วยอำนาจมานะยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิถึงความกวัดแกงด้วยอำนาจอุทะจะถึงการไม่ตกลงใจด้วยอำนาจวิจิกิจฉาถึงเรี่ยวแรงด้วยอำนาจอนุสัยพระรหันนั้นละอภิสังขารเหล่านั้นได้แล้วคือละกรรมละเจตนาได้หมด เพราะละอภิสังขารได้แล้วอันใครใครไม่นับได้โดยคติเช่นกรรมเนี่ยนะกรรมที่จะนําเกิดในภพใหม่อะนะภพที่นําเกิดแก่ชาติเพราะอะไรก็เพราะว่าอุปาทานเมื่อพระ้าหันเนี่ยสิ้นตัณหาสิ้นอุปาทานกรรมก็ไม่นําเกิดในภพต่างๆเพราอจะไปนับว่าเออเนี่ยท่านเป็นผู้เกิดในนรกเดรชานเปรตติวิสัยมนุษย์เทวดาหรือว่าจะเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญา เป็นสัตว์มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะเหตุนั้นคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีกัณะอันเป็นเครื่องถึงการนับเพราะฉะนั้นใครจะนับไม่ได้คือนับด้วยอํานาจกิเลสเน่นับไม่ได้นับว่าท่านเป็นผู้มีกรรมก็นับไม่ได้เพราะกรรมที่จะนําไปสู่พบใหม่นี้ไม่ได้มีเพราะฉะนั้นจึงจะเป็นนับว่าพบหน้าต่อไปเนี่ยพระภาหารจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ไม่มีใครนับได้ คำว่านั้นความว่าความทำไว้ในเบื้องหน้าไม่ได้มีแก่พระอรหันต์นั้นคือพระอรหันต์ะีนาศเนี่ยนะไอการทำไว้ในเบื้องหน้ามันทำไว้สองอย่างนะคือคิดถึงเรื่องชีวิตข้างหน้าต่อไปเนี่ยคิดด้วยอานาจตันหากับทิฏฐิเนี่ยนะทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยอานาจตันหากับทิฏฐินะความทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยอานาจตันหากับทิฏฐินั้นน่ะพระอรหันต์นั้นน่ะท่านละ ความทำไว้ nice well, ในเบื้องหน้าด้วยตันหาสละคืนความทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยทิฐิแล้วเพราะละความทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยตันหาสละคืนความทำไว้ในเบื้องหน้าด้วยทิฐิจึงไม sure ่กระทำตันหาหรือทิฐิไว้ในเบื้องหน้าเที่ยวไปคือไม่มีตันหาเป็นธงชัยไม่มีตันหาเป็นธงยอดไม่มีตันหาเป็นใหญ่ไม่มีทิฐิเป็นธงชัยไม่มีทิฐิเป็นธงยอดไม่มีทิฐิเป็นใหญ่ ไม่เป็นผู้อันตันหาหรือทิฐิแวดล้อมทั่วไปเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าความทําไว้ในเบื้องหน้าไม่ได้มีแก่พระอาหารหันต์อันพระอาหารหันต์ท่านจะไม่หวังเรื่องอนาคตต่อไปด้วยอํานาจตันหาทิฏฐิแม้แต่นิดเดียวเลยนะตันหาทิฏฐิที่จะปรารบอนาคตต่อไปเนี่ยไม่มีแม้แต่นิดเดียวอีกอย่างหนึ่งพระอาหารหันต์ไม่ตามความไม่เป็นไปตามความเพลิดเพลินว่าในรูปว่าในอน า, อนาคตการเราพึงมีรูปอย่างนี้นะ เช่นว่าบางคนเนี่ยพอเวลาปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยนะโอ้ชาิหน้าขอให้เรามีผิวงามมีผิวสะอาดมีผิวดังทองคำเป็นต้นเนี่ยนะบางพวกเวลาทำบุญกุศลก็ตั้งความปรารถนาลักษณะนี้นะปรารถนาขอให้มีรูปแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแต่พระอรหันต์ไม่มีอ่ะนะเพราะท่านไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะมีรูปประขันต่อไปอีก ท่านก็ไม่ตามเพลิดเพลินในานามขันคือว่าในอนาคตการเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ได้รับแต่ความสุขอย่างนี้นะมีสัญญารับแต่สีสวยๆแบบนี้อนานะฟังแต่เสียงพร่อๆแบบนี้แบบนี้เป็นต้นหรือมีสังขารเจตนาอย่างนี้มีสติมีปัญญาอย่างนั้นอย่างนั้นหรือปฏิสนธิจิตในที่นั้นๆเนี่ยนะไม่มีเพราะฉะนั้นความทําไว้ในเบื้องหน้าไม่ได้มีแก่พระอาหารหันต์ท่านไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อมีขันห้าต่อไปในอนาคตเพราะอะไรเพราะว่าท่านกําจัดฉันทราคะ กำจัดตันหาและทิฐิที่จะเพื่อเอกำจัดตันหาทิฐิในขันห้าได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้มีความหวังขันห้าต่อไปเลยอีกอย่างหนึ่งพระอรหันต์ย่อมไม่ตั้งจิตเพื่อได้จักสุที่ยังไม่ได้ว่าในอนาคตการเราพึงมีจักสุดังนี้มีรูปดังนี้เพราะเหตุไม่ตั้งจิตไว้จึงไม่เพลิดเพลิในในจักสุและรูปเมื่อไม่เพลิดเพลินในจักสุและรูปนั้น ความทําไว้ในใจในเบื้องหน้าไม่ได้มีแก่พระอรหันนั้นเนี่ยนะแม้ด้วยเพราะเหตุอย่างนี้มันท่านไม่ได้ตั้งความปรารถนาว่าโอ้ตาต่อไปชาติหน้าต่อไปนะขอให้เรามีตาอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีหูอย่างนี้มีเสียงอย่างนี้มีจมูกอย่างนี้มีกลิ่นตัวอย่างนี้มีร่างกายอย่างนี้รับรสแบบนั้นมีลิ้นแบบนี้รับรสแบบนี้มีกายแบบนี้มีโพธภาพแบบนี้มีใจแบบนี้มีธรรมรมณ์อย่างนี้เนี่ยนะ พันท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งจิตเอาไว้ไม่ได้ตั้งจิตเพื่อมีอายตนะ12ในอนาคตเนี่ยนะเพราะเหตุไม่ตั้งจิตไว้จึงไม่เพลิดเพลินซึ่งอายตนะสิบสอที่จะมีในอนาคตท่านไม่ได้เพลิดเพลินเน่ยนะเมื่อไม่เพลิดเพลินซึ่งอายตนะ12เหล่านั้นท่านจึงชื่อว่าความทําไว้ในเบื้องหน้ามิได้มีแก่พระอรหันต์แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ไม่ได้หวังนะว่าเราเนี่ยจะมีอายตนะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในอนาคต ต, ต่อไปเนี่ยไม่มี ของเรานี่หวังไหมหว่าไปเร่อย่ยขออะไรั้อย่างขอให้สวยขอให้รวยปัญหาสำคัญเนี่ยขออยู่แต่ไม่พูดแค่นั้นเลยอ้าคิดถึงพ่งนี้หรือเปล่านั่นะคิดจะไปเอานน่นะคิดจะไปใต้หรือเปล่า จ ะ, จะไปดูหรือเปล่านีนะ่นะคยออ ค, คือไอ้คาว่าไม่คำว่าขอตรงนี้เนี่ยนะคล้ายๆกับว่าไอ้ภาษาไทยเราเนี่ยมันจะต้องมาจบประลกประลกใช่ไหมทางบาลีเนี่ยทางธรรมะถือว่าจิตเนี่ยต้องการเป็นแบบนั้นแค่ยินดีแบบนั้นนะแน่ใจไหมอยากเป็นผู้ชายหรือเปล่าช่างมันอย่างเดียว ช่างเผือกช่างมันไปตลอดแล้วอยู่ในสูตรนะคิดเอาเองปัจจุบันก็ไม่อะไรอนาคตก็ไม่ต้องการอดีตก็แต่เล่าถึงบ่อยเหลือเกินเฉยอะไรเล่าฟังวันตั้งหลายรอบคือไอเฉยของอาจารย์เนี่ยมาเข้าใจเฉยโลภะโลภะมูลจิตอุเบกานั่นแหละ เฉยๆ ไ, ไว้ใจเฉยจะไม่เอานะเฉยเอาตอดีเหมือนกันอันอี้อย่างหนึ่งเนี่ยพระอรหันต์ไม่ตั้งจิตไว้เพื่อให้ได้พบที่ยังไม่ได้ว่าเราจะเป็นเทพเจ้าหรือเป็นเทวดาตนใดตนหนึ่งด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมาจันทร์อันนี้ก็คือพระอรหันต์ท่านไม่ได้คิดนะว่าท่านให้ทานรักษาศีลบรรําเพ็ญภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะได้เป็นเทวดาชั้นจาตุมเป็นต้นเน่ยนะจนตลอดจนถึงเกิดในพรหมโลกเป็นต้นน่ย ันท่านจึงไม่เพลิดเพลินในภพนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินในภพนั้นอ่ะความทำไว้ในเบื้องหน้าไม่ได้มีแก่พระอราหันต์นั้นนะความปรารถนาขันตต่อไปในภพต่อไปเนี่ยนะของพระอราหันต์เนี่ยไม่มีที่ไม่มีเนี่ยถามว่าเพราะอะไรนะเพราะว่าท่านกำจัดฉันทราคะในอารมณ์ทั้งมวลเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะอย่างของปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยบางคนในะอย่างในยุคเนี่ยเขามี เป็นยุคที่เรียกว่าทำบุญอย่าปรารถนาเป็นยุคเขาเขาเขาโปรโมทเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นก็มีคนร้ายกลุ่มด้วยกันเวลาทำบุญเนี่ยไม่จะไม่ปรารถนาเพราะกลัวจะเป็นโลภะนนะทีนี้เมื่อไม่ปรารถนาละแต่ถามว่าเขาชอบสีไหมชอบสีไอการที่เขาเพลดิดเพลินในสีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ปรารถนาตาก็จริงแต่นั่นคือการสร้างเหตุเพื่อให้มีตาน่นะเมื่อุปมาเหมือนว่า เขาไม่ต้องการมีนี่มีสินหรอกแต่กู้อยู่ทุกวันเนี่ยนะตื่นเช้ามาก็ขอกู้เดินเรื่องกู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะกู้อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแต่บอกว่าฉันนี่ไม่ต้องการนี่สินฉันไม่ปรารถนานี่สินไม่ยินดีในนี่สินแต่ตื่นเช้ามากู้อยู่ทุกวันนั่นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เพลิดเพลินในสีก็ไม่ถึงไม่ปรารถนาตาแต่ตันหามันปรารถนาไว้เบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะ นั้นถ้าเพลิดเพลินในเสียงก็ปรารถนาหูโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพลิดเพลินในรสเนี่ยนะเพลิดเพลินในกลิ่นก็เพลิดเขาเรียกว่าปรารถนาจมูกปรารถนาลิ้นอยู่แล้วเพลิดเพลินในโพธาภัสเนี่ยนะอากาศกําลังดีเป็นต้นเนี่ยก็เพลิดเพลินในกายอยู่แล้วคิดนึกเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยก็ก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรามาคิดว่าเออฉันจะไม่เพลินละแค่คิดเนี่ยไอ้นั่นก็บางทีก็นั่นแหละจะเพลินอีกอย่างหนึ่งอีกเหมือนกัน ซึ่งไอการกําจัดความเพลิดเพลินอันนั้นเนี่ยมันต้องกําจัดด้วยอรหัตมรักอันนี้กําจัดด้วยไตรสิกขาจริงๆท่านไม่ใช่ว่าศัก์แต่ว่าไม่ปรารถนาะแต่ไม่ไม่ได้เจริญสิกขาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยชื่อว่าตัวเองเนี่ยสิ้นความปรารถนาะไม่ใช่เลยเ น, นี่ยนะแต่ว่าปรารถนาะแต่ว่าเพลิดเพลินแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเพลิดเพลินเท่านั้นเองไอความเพลิดเพลินกับปรารถนาะอันเดียวกันเ น, นี่ยนะ จะรู้ตัวหรือไม่เท่านั้นแหละนั้นแต่มันเป็นสมัยนิยมที่ยุคนี้เขาเขากลัวโลภะมากเขาไม่ให้ทําบุญแล้วตั้งความปรารถนาให้เฉยๆกันหมดเนี่ยนะบางเจ้าก็บอกแม่แต่ปรารถนานิพานก็เป็นชื่อของโลภะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ให้ปรารถนาแม้กระทั่งนิพานละงนันอันนี้ก็ไม่รู้ขุดกันมาจากไหนก็ไม่ทราบเนี่ยนะมาเกิดลัดทธิอะไรแปลกแปลกขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นไปตามคําสอนตามคําสอนเดียวสูตรต่อไปนี่ว่าเขาจะทําบุญแล้วเขาปรารถนาพ้นทุกข์กันเนี่ยนะ ปรารถนาพ้นจากชาติชาราและมรณะเนี่ยนะอันผู้ที่ทําบุญแล้วปรารถนาการสิ้นกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะเขาเรียกว่าสัมมาปฏิปทาเป็นความปฏิบัติชอบแต่ถ้าทํากุศลเหล่าใดาแล้วเนี่ยนะไม่ปรารถนาความพ้นทุกข์อันนั้นชื่อว่ามิจฉาปฏิปทาเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุมรกผลณิพาเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ผิด